ว น, นี้เป็นวันอีสาขมาศเดือนสามเพล็กเราเคยทํำกันมาทุกปีทุกปีอิสาขะแล้วก็ถึงเดือนหกเวีสามาขมาศเดือนสามเพล็กเรียกมาคมาศเดือนหกเพ็กเรียวอีสาคมาศเคยทํำมาทุกปี แล้วก็มีวันสัลหาอีกที่หนึ่งคือ เ, เขากันษาก่อนเขากันษาวันหนึ่งทั้งสามการสามเวลาที่เราบูชานั้นก็บูชาทังคุณพขุนประธานพระสงค์ทั้งสามอย่างทั้งเกันทั้งนั้น วนันอุวันในที่ท่านพูดถึงเรื่องมาฆะแม่ว่าจะตุรงคสันนิบาทรวมความล้วก็พูดพระธรรมประชงเหมือนกันนะวันวิสาขะคือวันตัสรุวันประสูตรวันพรินิพานกับวันเดียวกัน นานกล่าวถึงที่พูดใเจ้าโดยเฉพาะแต่ก็กล่าวถึงพระพุทธธรรมปรสงค์เมื่อกันเหตุนั้นในที่นี้จะไม่ได้พูดถึงเรื่องมากระมาในพิสาธรรมาถามสันหั์บูชาแะพูดถึงต้นตอของเหตุเป็นมาทั้งสามการนั้น คือว่ากล่าวถึงเรื่องโต้เหตุที่ให้เกิดในสามการนั่นแหละุทธโธธัมโมสังโฆจาตินานาคนตัมปีวัตถุโตอัญญะมัญยวิโยขาวะเอกีภูตัมพนัทโต บุท โ, โทธธรรมสโบททตาธโมจะสังเคตธาติโตสังโคุตจาอิเจตังราจนาตัยังเรียกว่าพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ พูดโดยอาการโดยวัตถุเป็นแต่ละอย่างหรือพระพุทธเจ้าได้ดสรู้ได้แก่ปชิต ธ, ธานุลาภแลกุมารความเพียรมีจนได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทานเทศสนาไว้ พระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติตามเห็นรู้จริงเห็นจริงตาพุทิจังเรียกว่าพระสงฆ์อันนี้เป็นส่วนวัตถุเป็นบุคคลและเป็นนันอันไปแยกเป็นส่วนๆออกไปแต่ว่าพูดโดยสรุปโดยอัตโดยเนื้อความแล้วอันเดียวกัน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 มันเกี่ยวเนื้องถึงเรื่องถึงเรื่องกันดนกันอันนี้เนื้อความโดยเฉพาะถ้าจะขยายเนื้อความจะจับหลักให้ดีนั่นแหละจับหลักเบื้องต้นให้ดี <c oughs> คือพระพุทธ้าะธรรมประสงค์จับหลักให้ดีตอนนี้แหละพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า อิติปิโสภควาอระหังสมาสพุทโธมีคุณอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าอิติปิโสโด้วยประการอย่างนี้ภควาท่านเป็นผู้มีส่วนมีส่วนอะไร พระพุทธเจ้าองค์นี้ตัสรุก็มีส่วนอันหนึ่งซึ่งจะเป็นผู้ได้รับเป็นสมัยาวัคพุพุทธเจ้ามีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันได้ตัสรุแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเรียกว่าได้ส่วนได้รับมูลมรดกอันนั้ น, นจึงเรียกว่ามีส่วนอรหังสมา 阿拉หังแปลว่าพูดไจจากกิเลสสมาธิพุทโธตัสรู้เองชอบวิ ช, ชาจรารณ์สัมปโนประกอบด้วยวิ ช, ชาคือวิ ช, ชาสามวิ ช, ชาแปดวิ ช, ชาสามคือเพนิวาสานุสติ เลือชาติทอนหลังได้ยุทุปายารย์เห็นความเกิดความดับของสัตว์ทั้งหลายเกิดแล้วดับไปดับแล้วไปเกิดที่น้าที่นั้นเรียกว่ายุทธุปาจารย์อาสวะคยายายรู้ซึ่งอาสวะไ ข, ขยัยคือทำจิตของโะองให้ผ่องใสสะอาดพดจดบริสุทธิ์จนได้สาเร็จเป็นพระุทิเจา้า เนืยอวิชาสามจารณะสิบ้ามีศิลเป็นต้นอันีเรียกว่าจรณะาิมหาอิจฉาขณะทำประนสุขะโตไปดีแลบคาว่าไปดีนั่นสเสด็จไปที่ใดดีทั้งหมดโปรดสัตว์ในที่ต่างๆไม่ได้อิจฉาเบียดเบียนใครๆทั้งนั้น ประกอเด้วยคุณประโยชน์อันยิ่งเป็นประโยชน์เกศทั่วไปหมดอ น, นันตวิชาไอเนียกว่าสุขโตสุขโตอีกในหนึ่งแปลว่าผูดพูดไปดีแล้วคือพระองค์เสด็จสู่พระนิพพานนี่ว่าไปดีสะดุดเสด็จมาสู่โลกนี้ก็เรียกว่ามาดี ไี่ผ่านก็เรียกว่าไปดีโล ก, กวีธูรูแจงโลกทั้งสามคือมนุษย์สโลกพูดกันง่ายๆทีว่ากามะโลกที่ประกอบด้วยรูปแยงกินรสเรียกว่ากามมโลกลูกประโลก เนี่ยการูปภพอารูปโลนึกอารูภพภลูมดทั้งสามโลกพระองค์จริงพ้นจากโลกทันไม่รู้ทั้งสามโลกนี้ก็ไม่พ้นจากโลกติดตค้องในโลกทั้งสามนี้อนุตตรโคลคานีเป็นประโยชน์แก่คนอื่น ผู้ดิศาธรรมสาธิธาเทวมสัทธาเทวมนุษย์สานุงวัฏโทขกาวา่าอนุตตรโภเป็นผู้ยิ่งใหญ่หาผู้เปรียบเทียบไม่ได้ผุรดิศาธรรมาาสาธิธาสัทธาเทวมนุษย์านังใหญ่กว่ามนุษย์เทวบุตรเอวดายินพรมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสารทียนเอกคือฝึกหัด คนให้ไปสู่สุขติไปสู่ที่ดียิ่งกว่าสาัตถีฝึกหัดสัตว์ทั้งหลายที่ให้ใช้การงานได้พระ อ, องค์ฝึกหัดมนุษย์สัตว์ทั้งหลายให้ละความชั่วอันนี้เรียกว่าฝึกหัดเป็นอนุตตโรเป็นอย่างยิ่งยิ่งกว่ามนุษย์ชาวโลกทั้งหลายฝึกหัด เป็นสรารทียนเด็กพุทโธเป็นผู้เบิกบานพระวาตอนนี้เป็นผู้จำแนกเก่ยกยใจธรรมะทั้งหลายให้ก้วงขวางอันนี้เรียกว่าผู้พุทธิเจ้าคานิเมื่อเราปฏิบัติแต่การนี้ น้องเข้ามาตัวของเราค่ะนี่อย่าไปเอาคำพูดของท่านที่ท่านว่าอะไรนะั้น <c oughs> เป็นเรื่องของท่าน <c oughs> <c oughs> น้องเข้ามาทางปฏิบัติ <c oughs> พระควาเป็นผู้มีส่วน <c oughs> เรามีส่วนไหมมีส่วนเด็กตาดสะดูย้ยยาวพุทธเจ้าไหม <c oughs> เราปฏิบัติ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 เรียกว่ารักษากายว่าจะใจให้ผูุ้ถิดเป็นผู้มีส่วนเป็นผู้มีส่วนของปู่พระองค์จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัตินี้เสียก่อนจนได้สําเร็จเป็นพูะพุทธเจา้าจะชื่อว่าไดส่วนของของพระเจา้าเราก็มีส่วนอันหนึ่งซึ่งเว็นพระพุเจา้าพรองสอนนี้ทั้งนั้น สอนกายวาใจาใจของคนของคนเรานี่ทั้งนั้นนะเรามีกายวาจาใ จ, ใจแล้วก็ฝึกหัดตามพระองค์ฝึกหัดตามก็ได้ได้ไดชื่อว่ามีส่วนตามมีส่วนตามพระองค์เหมือนกันให้น้องเข้ามาตรงนี้ไในตองไปเอาอันพระควาของพู้ทีเจ้าเอาข้อควาของเรานี่แหละอาถ้าหางเป็นผู้ไกลจากกิเลส เราไกลและอย่างยนี้ <c oughs> กิเลสคืออะไรความเช่าหมองของจิตใจพระวจปฏิบัตินี่มันไกลาจากกิเลสเลยอย่างเอา ง, ง่ายๆเพียงแค่ว่าชินห่าเอา ง, ง่ายๆเนี่ยเพียงชินห่านนี่แหละเมื่อเรักษาชินห่าน งดเว้นจากขาสัตว์รักประพผิดพิจาจาการโกหงมุธว่าดื่มธุราไม่ไรเราค้นแล้วหรื อ, อยังเราไกล้จากกีเดียอยังฆ่าสัตว์หากว่าเราไม่ขา เห็นสัตว์ก็ยังอยากกินยังอยากกินเนื้อกินเขามาเป็นอาหารอยู่เขานั้นยังไม่ได้พ้ยังไม่ไกลจากกิเลสเห็นสัตว์แล้วไม่คิดเบียดเบียนอิจฉาเกิดเมตตาอินดูนั่นแ่ะไกลจากกิเลสไม่คิดอิจฉาพิาราเป็นของจองล้างจองผางเขาหน้าเนี่ยไกลจากกิเลสแล้วะ รักทรัพย์ไม่รักคขโวยของเขาก็ไกลจากกิเลสแล้วแต่ยังจิตคิดอยากจะได้ของเขาอยู่ยังคิดอยากจะได้ของเขาอยู่วันนั้นได้ฉิ้นไหมยังไม่ไกลจากกิเลสกิเลสยังติดตามตัวของเราอยู่เราพ้นแล้วจากกิเลสอันยำหยาบ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 แห่งของเงื่อนอื่นนะ่ะสงสารอินดูว่าเขาพุทธาพยายามหากันโดยกวางน้ำปากการรมเกิดเมตตาอินดูตรงสารอันนั้นไ ก, กลาจากกิเลสแล้วการละพรืชผิดมิฉาจารไม่คบสู้สู่พรนธยาด้วยสามีของคนอื่นอันนั่นก็ไกลาจากกิเลสอนะันหนึ่ แต่ว่าเห็นของเขายังรักยังชอบอยู่เั้นดีพอใจอยู่นั่นมันติดตามอยู่ภายในแต่ชื่อว่ายังไม่ไกลจากอยู่เองการเห็นของเขาคนอื่นของค น, คนอื่นนะ่ะเกิดเมตตาต้งสารเย็นดูเขาเหมือนกับพี่กับน้องเหมือนกับพี่น้องรวมท่องเดียวกันในคิดรักคิด ให้ถึงไม่คิดรักก็เหมือนกับรักพี่รักน้องไม่อย่างไม่รักอย่างบ่าวสาวรักกันเอัานั้นเรียกว่าก็ให้จากกิเลสมุสาวา่าดถึงเราไม่โกรธไม่โกหกแต่เรายังพูดหยาบเรายังพูดหยาบพูดคายอยู่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 อันนั้นเรียกว่าไกลจากกิเลสดื่มสุราเมรัยคนเราป้องมันมัวเ ม, มาอยู่แล้วร่มหลงอยู่แล้วยิ่งก็ยิ่งเข้มหลงเข้าอีกอันนั้นได้ชือ่อว่าไม่ไกลจากกิเลสหากว่าเราไกลจากกิเลสแล้วเรา ไ, ไม่กล้าดื่ม เอาละเป็นใดไม่โมโวมกมัดอันนี้เรียกว่าไกลจากกิเลสเอาสิ้นห้าไปเครื่องวัดไม่ต้องเอาอื่นไกลเอาสิ้นห้าไปเครื่องวัดถ้าว่าไกลจากกิเลสไม่ไม่เอาของกุฏิเจ้าเอาของเรา วัดอยากเอา ส, สินหาวัดอย่างอธิบายมา น, นี่ครับอยากกายากที่เล่ก็ทำลงไปอ ย, ง อ, ยงอย่างที่ว่านี้ก็แล้วครับถ้าหังไอสัมมาสัมพุทโธตัดสรู้เองเราปฏิบัติตรงไป ธรรมะยังปรากฏเกิดขึ้นในใจของตนโดยที่ไปได น, นึกคิดหากเกิดขึ้นมาด้ว ย, วยสมาธิภาวนาอันนั้นเรียกว่าสมาธิปุถุโของเราเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจิตใจก็เบิกบาน้องใสของนั้นเกิดขึ้นมายัางไม่เคยเกิดขึ้นแต่ก่อน ผมรู้อดนั้นไม่เคยมีอย่างที่เขาพูดกันว่าลงบังออดนะออดอย่างนี้หรอทาเห็นอย่างนี้หรอจึงเรียวกว่าธรรมะของเฉพาะส่วนตัวมันเรียกว่ า, ส, าสัมมาทิฏฐิวิชาจานาสัมปโน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 ไม่ทะเลาะวิวาททุ่มเที่ยงซึ่งกันและกัน <c oughs> <c oughs> ไปดีไปให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปเรามีแค่นี้แหละชุกะโตเรามีเพียงแค่นี้แหละเ <c oughs> กิดเอ็นดูสงสารเมตตาปานีแก่ผู้แกคนท้องขอท้องหาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันนี้แหละมิตรในชุกขาโตของเราเขาเพียงแค่นี้ก็พอโลกวีทูเป็นของยากอยู่ที่จะรู้แจ้งถึงโลกทั้งสามเราจะรู้แจ้งแต่เพียงว่าโลกอันนี้เป็นทุกโลกอันนี้เดือดร้อน แล้วเกิดมาทุกๆคนร่วมในตายด้วยกันทั้งนั้นให้เพียงเห็นเพียงแค่นี้ก็พอแล้วของที่แล้วเกิดมาต้องตายตายแล้วเอาอะไรไปบังไม่มีอะไรเหลือหรอแม้แต่ร่างกายก็เผาทิ้งเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วรู้แจ้งโลกงั้นแล้ รักษาใจของตนให้ดีทำใจให้สงบเมื่อใจลงสงบแล้วของนั้นจะไม่มีปรากฏแก่ตัวของเราไม่มีปรากฏด้วยในที่นั้นลงไปจุบันอนาคตอดีตอนาค ต, าาคตไม่มีอย่างในขณะนี้แหละตอนหนีจากบ้านจากเรือนมา การงานธุระตั้งห ม, มดเรามาอยู่ไปอยู่เดียวนี่แหละหมดเลยไม่มีของนั้นมหมดเลยหมดเรื่องเลยให้ลงอย่างนี้จึงเรียกว่าโล ก, กวีถูกรูแจ้งโลกถ้าหาก็เราโมเมาอยู่ลงติดของก่อพัน์นันนี่นอยู่ไม่รู้แจ้งโลกไม่เห็นตามเป็นจริง อันนั้นยังไงยังไม่แทนรู้แจ้งถ้ารู้แจ้งแล้วอ่ะไม่หลงรู้ไม่แจ้งมันยังค่อยหลงสิงแล้วปวดมดถ้ารู้แจ้งแล้วเห็นทุกสิ่งทุกส่วนเนี่ยหมดเรื่องสงสัยมันไม่หมดนั่นดียังค่อยสงสัยอยู่เนมันยังกระติดพองของผูงพกพันอันนั้นเนี่ยยังไม่แทนรู้ก่อ โล ก, กนนลโลก็วีทูอันเนี้ยรูแจ้งโลกอธิบายวันนี้สะเอาตทีนี้ไปก่อนอธิบายธรรมะยังยังไว้ไปหมดเรื่องและธรรมประสงค์ยังไว้หมดเรื่องนี่หัวข้ออธิบายที่ว่าต้นตอให้เกิด ไอทาไปวันทำวิสาขะก็ดีมา่ะก็ดีวันที่อาสันหะคือเข้ารรรษาวันอาสันหะคือวันที่พระพุทธเจ้าเทศนาก็ดีวันออกมาจากนี้ทั้งท่านเนี่ยออกมาจากพระพุดธประถาบประสงค์ในทั้ทงท่านน่ยอธิบายตรงนี้เก่านั้นตั้งใจ กุธิศ์กายวาจาใจของเรานี่แหละบูชาคุณพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์บูชาทั้งหมดเลยกาย า, าใจมอบไปหมดกายมันจะเจ็บจะป่วยจะเมื่อยอะไรต่างๆก็มอบถวายพระพุพระพุทพพธพระธรรมพระสงฆ์ <S <S 2> <S 2> วาจาก็เหมือนกัน มันอยากพูดอยากคุยอยากยยางต่างมอบถวาย พ, พระพุประตามประสงฆ์ใจมันคิดนึกอะไรต่างๆปรุงแต่งอะไรต่างๆถวายใชเป็นพุทธบูชาทำบูชาสังคบูชาหมดเรื่องไม่ใช่ตัวของเราของบูชามดเหมือนกับเราบูชาดอกไม้พระ พุทลูปละวัตเด็กเอาคืนวาอีกดอกไม้ที่เอาไปบูชานะั้นคือเด็ดออกไปจากต้นมาแล้วไม่ได้กลับปฏิต่ตออีกกายวาจาใจของเราก็เหมือนกันเอาบูชาแล้ไม่กังวลเกี่ยวของยังเหลือได้จิตของใสสะอาดจิตงนั้นเนี่ยจะได้เป็น พระพูดธเจ้าเขาทำประสงค์อย่างอธิบายให้ฟังอธิบายมาได้ดีนีเราเอาพุทโธเป็นสาระที่พึ่งนึกพุทโธในใจเป็นคำบริกรรมเอานั่นเป็นจุดสำคัญถ้าหากว่ามีพุทโธก็ น, นั่นมีที่ตั้ง พุทธโธนั้นตั้งจิตไว้ตรงนั้นไม่ออกนอกจากพุทธโธอันออกนอกออกไปนั่นเรียกว่าอาบูชาอบูชาคุดนั่นเสียให้ตั้งอยู่ในเฉพาะพุทธโธนั้นจิตอันเดียวเท่านั้นอธิบายให้ฟังถึงเรื่องหลายหลายครงหลายข่าวแล้ว จิตแอ๊นหนึ่งใจแอ๊นหนึ่งจิตนั่นบูชาพระรัตนตไัยเสีทย 1. ที่มันคิดมันนึกมันส่งมัน้ายมันกุ่มเอาไว้ที่ใจนะใจนั่นคือเอามันอยู่ตรงกลางนั้นมันตั้งอยู่ตรงกลางนั่นไม่ได้คิดไม่นึกแต่ความรู้สึกเฉพาะตัวเอง ไม่คิดไม่นึกอะไรเฮ้ยเอาตัวนั่นเอาไว้ให้มันอยู่ตรงนั้นเทก็ก่อนอยู่ไปนานนะมันแห่งจะรู้ตัวมันเองหรอกอยู่นานเนี่นยห้งแจเกิดควมรู้ความฉลาดอดี๋ยวนี้มันมันรู้แต่ น, นอกมันไม่รู้ภายใน